สมชายมันร้องเห็นไหมนะชนีหลวงพอ่อตั้งชื่อว่าสมชายนะั่นะนะชะนีตัวเดียวถ้าว่าช่วงไหนมันจะหนาวเนะ่ะมันคงจะหนาวนะั่นแ่ะคงจะเตือนนะเ่นพวกเราอยู่ในวัดเตรียมพร้อมหนะ้าเตรียมผ้าห่มไว้นะจะหนาวนะมันหวานะกำลังบอกอนะ ให้เตรียมเครื่องหนาวไว้นะเออมันจะหนาวแล้วนะเดี๋ยวนี้ยนะอีกไม่นานจะหนาวนะลุงพ่อนะวหรนวะมันกำลังร้องบอกแต่เราเวลาฝนจะตกมันก็บอกอีกเหมือนกันนะเออบางทีแดดเปรี้ยงเ อ, อมันร้องพันธออมัยจะหนีเนี่ยวะโอ้พอตกเย็นๆแน้วนะั่นเลอทั้งฝนทั้งลมมาขนาดหนักเลยเมันก็ดีเหมือนกันนะ ฟ, ฟ้าจะฟ้าจะตกอจะแดจะร้อนจะหนาวชณีชณีสมชายมันบอกบอกล่วงหน้าเลยอันนี้แสดง ว, ว่ามันจะหนาวแล้วนี่มันจะเข้าหนาวแล้วนี่ยปบเมื่อวันก่อนหน้านี้มันอากาศมัน <c oughs> อุ่นมาตลอดแต่แต่วันนี้รู้สึกว่ามันร้องแต่เช้าเลยร้องมานานแล้วสงสัยมันจะ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 แต่ตัวผ่าตัดเป็นของของญี่ปุ่นกับเยอรมันเข้าหุ้นกันหลวงพ่อได้ถามเมื่อวานนี้เป็นเครื่องผ่าตัดด้วยความถี่สูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องคอพอกหรือว่าเรื่องผ่าตัดภายในทางช่องท้องท่าเลือดเช่นเลือดใหญ่นี่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 สีนครินชุมแพชุมแพก็เป็นโรงพยาบาลใหญ่นะเทียบเทียบระดับจังหวัดเพรานะนั้นหลวงพ่อให้ปีนี้ให้สมโรงพยาบาลโรงพยาบาลศีนครินผ่าตัดด้วยความถี่สูงบริษัทเครื่องผ่าตัดของบริษัทอุลิมปัฒนล้านเจ็ดแสนแล้วก็ให้โรงพยาบาล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 ใช้แต่ตุปจัจมากเพราะทุมควรอยู่แล้วก่อนเนี่ยปีนี้คิดว่าคงจะเพผาๆลงละทีนี่พอมันตัวเลขมันขึ้นสีแดงนะหลวงตามหาบัวท่านบอกว่าเครื่องมันร้อนต้องพักไว้ก่อนฮะอันนี้ก่อนลักษณะอย่างนั้นหละแต่เราก็ทำทำตามกำลังความสามารถที่มันเป็นไปได้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 เราเราจะบอกเป็นระยะระยะถ้าจะบอกเท่าความมาทั้งหมดคงคงจะใช้เวลานานอันนี้เพียงถึงขึ้นมาใกล้ๆนะแล้วก็เราได้ช่วยโรงพยาบาลจังหวัดน้องบัวลาพูอันนั้นกัเครื่องเครื่องช่วยหายใจอันนั้นก็ประมาณห้าแสนและกเครื่องทำความสะอาดเครื่องมือสองแสห้าอันนี้นก็ในกลุ่มเดียวกันในเร็วๆนี่นแหละ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 เอาเงินของคนอื่นถ้าคนไม่มีบา ร, รมีนะคนไม่มีบา ร, รมีไม่มีบุญวาสนาเนะี่ยเอาเถอะอย่างพวกเราท่านทั้งหลายไปประกาศด้วยสอผมจะหาเงินเข้าคังหลวงนะใครจะให้เราเห็นไหอเผลอๆเขาด่าตะคอกอีต่างหากเพราะเหตุไรเพราะตัวเองไม่มีบารมีหลวงตานี่มีบารมีนะนรรนะพูดเข้าไปคนเชื่อถือเนะนี่ยนี่แหละความเชื่อถือจุดนั้นละ่ะ จุดที่ว่าเชื่อถือนะจุดนั้นแหละน่าเคารพสักการะบูชาเพราะอะไรพอพูดออกไปแล้วมีคนเอาทองคำมาให้แล้วก็มอบให้กับคังหลวงเป็นสมบัติของแผ่นดินตั้งสิบสามตันกว่านะจุดนี้แหละที่พวกเรายอมรับแต่ไปเอาปัจจัยของคนอื่นก็ไม่ว่ากันเรามีไหม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 เรกว่าไปวิจาร์ออกไปบางทีมันจะเป็นบาปอากุศลเข้ามาสู่จิตใจของเราอีกต่างหากถ้าเราพูดถูกก็ไม่ว่ากันถ้าพูดถูกมั่นใจพูดถูกนะถ้าเขาทําผิดอย่างโจดพระวิทยนายอย่างนี้เออเอาถ้าท่านทําผิดเนี่ยถ้าเราไม่พูดจะแล้วมันเสียหายส่วนรวมส่วนกลางอันนี้เราก็ต้องทวงติ่งขึ้นมาเพื่อเห็นแก่ส่วนรวมแต่ถ้าว่าเรา มัวเมียเห็นแต่เขาพูดก็พูดไปตามเขาอันนั้นต้องระวังนะเพราะนั้นต้องการแนวแถวความคิดตัวนี้แหลสำคัญในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านตำหนิเรื่องว่าไม่ท่านไม่ได้ตำหนิเราขั้นขค้ว่าพระสงฆ์พระสงฆ์ในครั้งพุทธการในครั้งพระพุทธเจ้า พระสงฆ์ตำหนิพระเทวทัตเอ้อพระเทวทัตเน่ยทั้งที่บวชมาในพุทธศาสนาทั้งที่บวชกับพระพุทธเจ้าแต่ทำไมจึงไปดูถูกโลกไปทำอย่างนี้ขึ้นมาไม่น่าจะถูกต้องไม่ถูกต้องแหะพูดง่ายๆแต่นี้พระพุทธเจ้าก็เสด็จลงมากระถามาพวกเธอสนทนากันด้วยเรื่องอะไรยพระสงฆ์เหล่านั้นก็กราบทูล ถามอริเทวทัตทำอะไรไม่ถูกต้องคล้ายๆกับว่ายกประเด็นประเด็นหลักประเด็นหนึ่งขึ้นมาเพื่อจะทำร้ายทำลายคือที่แรกก็ขอเข้าไปปกครองสงฆ์บอกว่าพระพุทธเจ้าค่าพระองค์อายุแก่แล้วสมควรจะหยุดในการดูแลพระสงฆ์มอบให้สงฆ์ให้ข้าพเจ้าจะข้าพเจ้าจะเป็นผู้ดูแลสงฆ์ต่อ พระพุทธองค์บอกว่าเอ้ยเทวทัต เ, เธอเนะ่ยมันไม่ใช่นั่นนะ่ะความหาความเชื่อถือไม่ได้เราจะมอบสงให้กับท่านได้ยังไงท่านเหมือนกับเฉลต์ที่ขาดคลายออกจากปากเท่านั้นเองเหมือนเป็นเฉลต์เท่านั้นเองนะเทวทัตก็โกรธพระพุทธเจ้าอย่างมากจากนั้นกับเมื่อขอปกครองสงไม่ได้ก็เข้าไปกราบทูลอีกอบอกว่านี่ เ อ, อขอพระองคทรงบัญญัติผู้ที่อยู่ปลาก็ให้อยู่ปา่าแล้วก็ไม่ควรจะฉันเนื้อฉันปลาฉันสันอาหารเป็นฉันเนื้อฉันปลาก็ขาดเมตตาเนี่ยพราะพระพุทธเจ้าก็บอกท่านก็ตรัสว่าเนื้อปลาเนี่ยเราไม่ได้เห็นเราไม่ได้ยินเราไม่ได้สงสัยเขากินอยู่แล้วก็าทานอยู่แล้ว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 แปลว่าไ ม, ไม่ไม่มีความัจริงเอาใข่เห็นด้วยกับข้าเนี่ยแหละเทวทัตก็เลยมีสมัครพรรคพวกเข้าไปเี่คนเห็นว่าใช่เทวทัตเนี่พูดถูกไว้เห็นด้วยก็ไปเป็นเทวเป็นหมู่เทวทัตตั้งกู้ตั้งเยอะแยะไปเหมือนกันนะเออโผล่ในสูก่กันนะพอแผ่นดินสูบเทวทัตเท่านั้นแหละเถอะนีน อ, อพวกนั้นก็เลยกระเซน็นกระสายกระจุยกระจายเถีะนีน่พูดอะไรไม่ออกเถะนี่น เพราะว่ามันเพแผนดินสูบเทวทัตพูดจากนั้นพระสงฆ์ก็เลยสนทนากันเออเทวทัตเนี่ยมันไม่ถูกพระพระพุทธองค์บอกว่าเทวทัตเนี่ยไม่มิไม่ใช่แต่เพียงชาตินี้นะชาติที่แล้วๆมากระจิบหายในเรื่องเหล่านีา้แหละไม่ได้คิดมองไกลไม่ได้วางอนาคตของตนเองพระสงฆ์ก็เลยกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าสมัยไหนพระพุทธเจ้าค่ะน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 ในชุกยุคสมัยนั้นก็ ฟ, ฟังฟังดูแล้วก็เหมือนช่างไม้ทุกวันนี้เหมือนกันนะถ้าใครเอาเงินมาให้เอาลอเอาลยรับแต่เขามาทวงท่านนี่คนนั่นก็มาทวงคนนี้ก็มาทวงทวงกันไปสร้างบ้านแต่เงินขอขอเอาไปกินก่อนหมดแล้วอผล่ให้สุดก่อนะพวกช่างไม้ทั้งหลายหาความสุขไม่ได้เลยเพราะเขามาทวงกลุ่มช่างไมนะ้มันเป็นกลุ่มนะกลุ่มช่างไม้ โอ้โหไม่ได้นะเท่าลุท้าเราเขินอยู่นี่นะเอเราต้องถูกประชาทันแน่เพราะเราทำงานให้เขาไม่ทันนะเราควรจะหนีวะนะพวกพ่อค้าพวกนายช่างทั้งหลายก็เลยไปตัดไม้ในป่ามาทำเรือนะพอทำเรือต่อเรือเสร็จแล้วก็เนิไปต่อไปจอดไว้ห่างๆเป็นเครึ่งกิโลนะ เป็นเครื่องโยดคือประมาณสามสี่ร้อยเส้นเมองไม่เห็นจากนั้นก็เอาลูกน้องบริวารของตัวเองเนี่ยเอาคนลงไปนะพอลงไปในเรือเสร็จแล้วก็เรือขนานไปสองขันกลางใบขึ้นก็ไปไม่มีจุดหมายปลายทางนะไปไปถึงเกาะหนึ่งไปเกาะเนื้มไปถึงเกาะเนั้นเป็นเกาะที่สมบูรณ์ มีข้าวนามีพวกเข้าโพดข้าวฟ่างาผลละหมากลากไม้ข น, นุนมะพร้าวไรครบในในเกาะ น, นั้นนะแต่ได้เลยขึ้นไปพอขึ้นไปก็ไปเห็นโอ้สมบูรณ์ก็เลยไปอยู่ด้วยกันแต่พ่อค้าสองคนเนี่ยพ่อค้าคนหนึ่งเป็นคนมีศีลมีธรรมแต่พ่อค้าคนหนึ่งเนีออพวกเรามาห่างไกลจากบ้านเมืองเราควรจะทํา ออ้อยทำเป็นเบียร์กินเถอะวะนั่นนั่นแหะคนชั่วไปที่ไหนมันก็ชั่วอย่างเก่านะลูกหลานนะกณนศรัทธาญาติโยมจากนั้นพอไปอยู่ในเกาะนี่นแหละแต่ว่ามีคนคนหนึ่งเขาไปอยู่เกาะ น, นั่นก่อนแล้วคือแพมันแตกเรือมันแตกเขาไปอยู่เกาะไปอยู่เกาะ น, นั่นก่อนเขาก็อยู่ตามลำพังไม่มีเสื้อผ้าพอเนี่ยเขาเคลนไปเขาเอออันนี้เป็น เป็นยักษ์หรือเป็นอะไรเยกำลังจะฆ่ามันเองวะเนะ่ยไอ้คนนั้นก็ยกมือไหว้โอ้ยผมเป็นมนุษย์ไอทําไมตแต่แกไม่มีเสื้อผ้าโอ้เปลือยแผลมันแตกมันก็ไม่มีเสืออเอเส้อผ้านุ่งแล้วก็อยู่ตามตามลําพังตามอย่างนี้แหละอืแล้วก็ถามแต่แก่ว่าแต่แก่มาอยู่ที่นี่นะมีอะไรเกาะที่จะเป็นพิษภัยให้คนเกาะชาวเกาะคนนั้นแนะ่ะเขาก็บอกว่าเกาะนี้มีมีเทพ มีเทพเจ้านะมีเทวดาต่อเขาต้องการความสะอาดใครเวลาเวลาไปอุจจารปัสสวนะให้กบให้ถมอย่าไปถ่ายอุจจรปัสสวะถ้ามีมอุจจรปัสสวะนั่นนะไม่ได้เขาไม่ชอบเล ย, ยเทยวดาในเกาะ น, นี้เขาชเขาสะอาดเพราะฉะนั้นมีอันเดียวเท่านั้นที่ต้องระมัดระวังอย่างอื่นไม่มีอยู่แบบียแบบสบายๆอาหารการบริโภคสมบูรณ์ ไอ้เด็กนายชายเกาะคนนั้น่ะที่ไม่มีเสื้อผ้าคนนั้นะเขาพูดให้ฟังจากนั้นพวกนี้ก็ขึ้นไปอยู่ไปอยู่กันเนี่ะไปทํากินเหล้าจไงไปทําเหล้าขึ้นมาทําเหล้าสาเกเหล้าสาโทนะอพอกินขึ้นมาคนกินเหล้าจะมันขาดจิติใช่ไหมมันเมาเลยไงจำเอสบลเทมาลร้องผงร้องเพลงจำนั่นกัขี้แตกเกี้ยวราดผลที่สุดเทวดารักษาเกาะออื มนุษย์เรานเนี่ยทำให้เกาะศกกรปกพวกเราควรจะกาจัดนะพอประชุมเทวดาประชุมกันว่าจะกาจัดมนุษย์แต่เทวดาคนหนึ่งเป็นบัณฑิตนะบัณฑิตโอ้ท่าวา่าเทวดาทั้งหลายจะเอาน้ำขึ้นมาท่วมเกาะนี่เรามองเราเห็นแล้วเหรอมันขาดเมตตานะเราควรจะไปบอกเขา เทวดาคนหนึ่งคิดขึ้นมาเขาก็เลยไปยืนอยู่ทางทิดอุดรเวลากลางคืนแสงสว่างบอกว่าพวกท่านทั้งหลายามาอยู่ที่เกาะนี้เนะี่ยเทวดาในเกาะเขาไม่พอใจนะพอพวกเธอท่านทั้งหลายทําความศกปิรีให้เกาะของเขาเห็นวันนั้นเขาคอรอคออยู่เนยอันนี้สิบผ้าขึ้นสิบผ้าข้าหน้าเนะี่ย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 พวกท่านทั้งหลายมีเทวดามาบอกใช่ไหมว่าน้ําจะท่วมเกาะใช่เอ้ยอย่าไปเชื่อะเทวดาคนนี้เป็นมิจฉาทิฏฐินะจะฆ่าคนเหมือนกันแตพวกนี้มันชั่วฆ่ามันทั้งหมดนะจะไปเก็บไว้ทําไมคนชั่วด้ะเทวดาคนนี้คิดอีกแบบหนึง่งบอกว่าได้นะพวกท่านไม่ต้องหนีหรอกใครว่าน้ําน้ําท่วมเกาะไม่มีหรอกมันน้ํำมันไม่ท่วมเกาะหรอกพวกท่านอยู่ยสบายอยู่สบาย อยู่ไปเลยอยู่ถ้าความผาสุกไม่มีอะไรหรอกมันมีที่ไหนน้ําท่วมเกานะพอว่าแต่นั้นเทวดานี่ยก็หายปั๊บไปอีกตอนี้คนสองคนสองกลุ่มหัวหน้าสองหัวหน้าก็มาคิดกันเล ย, เ, ยเทยวดาสองกลุ่มใครพูดถูกพี่พูดผิดว่าอนะที่หัวหน้าเป็นนักปรนะัชญาเนี่ยถึงยังไงเราควรจะไปเตรียม ไปเตรียมเรือของเราเอาไว้เพื่อตั้งอยู่ในความไม่ประมาทถ้าน้ำมันท่วมเราก็ไปถ้าน้ำไม่ท่วมเราก็อยู่แต่หัวหน้าที่เป็นพานนะที่หัวหน้าชอบกินเหล้าชอบติดในรถอาหารเนี่ยเฮ้ยไอ้พวกนั้นมันคิดจำแย่น้ำจะท่วมเกาะที่ไหนเนี่ยเทวดาเขาบอกแล้วจริงจะไปท่วมได้ยังไงน้ำทะเลจะไปหาท่วมเกาะได้อย่างนั้น คนที่สูงก็เลยหัวหน้าสวงหัวหน้าแะไรไม่ลงรอยกันแยกพวกกันแต่คนหนึ่งเตรียมพร้อมด้วยความไม่ประมาทไปเตรียมเรื อ, อไว้ถ้ามันท่วมขึ้นมาแล้วก็หนี้ถ้ามันไม่ท่วมแล้วก็อยู่นี่อันนี้แหละพยายามฟังเอาไว้เนี่ยปราชดเขาต้องวางแผนอนาคตหนึ่งสองแผนหนึ่งแผนสองแต่พาละชนไม่ได้วางแผนมีแต่โว้ย ไปหาใจน้อยได้ยังไงไปหาเชื่อได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้หรอกฝนนิสูกก็เลยพอถึงสิบห้าค่ำเท่านั้นน่ะน้ําก็ขึ้นมาจริงๆริงพอน้ําขึ้นมาพวกเจ้าของเรือที่วางแผลเนีกน็ปล่อยเรือสะเพาของตัวเองกลางใบขึ้นมาเลยหนีเลยไอ้พวกนี้ก็ไม่ได้เตรียมพร้อมเลยฝนนิสุก็เลยน้ําก็เลยท่วมเกาะล้างเกาะท่วมถึงยอดต่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 เมื่อออกจากร่างนี้แล้วนั่นหละเราก็จะได้ไปสู่อย่างน้อยก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วไปเลือกเกิดได้อีกต่างหากไปเกิดในตระกูลไหนไปเกิดเลือกเกิดได้จะได้ไปเป็นเทวดาอินพรหมไปได้หรือถ้าเราชำระกิเลสได้ก็เป็นพระอริยะบุคคลโสดาสกทาคาอนาคาอรหรันได้ดวงวิญญาณทนี่เลือกได้ไปได้ ถ้าเรามีบุญนี่แหละท่านเยังว่าคุณแม่ชีแก้วท่านยังบอกว่าโลกนี้โลกหาได้โลกได้โลกเราจะหาอะไรมาใส่ตัวเองหาดีหรือหาชั่วหาบาปหรือหาบุญเอถ้าหาความชั่วก็หาได้ไม่ยากถ้าหาความดีก็หายากหน่อยแต่ก็เป็นคุณงามความดีเพราะนั้นโลกได้โลกหาได้ เราจะเอาความดีและความชั่วมาใส่ตัวเองควรจะหาความดีคิดดีทดําดีพูดดีจะดีกว่านะอาไอเรื่องความชั่วมันมันหาได้ง่ายาคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วนะมันมันมันง่ายมันไหลไปทางต่ำํำ เ, เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ที่พวกเรารักครบนะับถือเลื่อมใสเนี่ยลุงปู่สาวหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวคู่บาอาจารย์ท่านยืนยันเลยว่าตายแล้วไม่สูญนะลูกหลานนะตายแล้วเกิดสิ่งที่ทําให้เกิดนั่นก็คือใจคือมโนคือผู้รู้ตัวนึกคิดนั่นแหละแต่มันไม่ใช่สมองนะสมองเนี่ยเป็นเครื่องมือเฉยๆเป็นเครื่องมือใช้ของใจคนที่มาใช้สมองนี่คืออีตัวหนึง่งเหมือนกับ สมองเนี่ยเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์มันมาตั้งอยู่ที่หัวของเราเนี่ยอแต่คนที่มาใช้คอมพิวเตอร์นี sí, mistake, machine, right kind of ่อีกคนนึงที่มากดเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้น่ะนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่คอมพิวเตอร์นะอมันคนที่มาใช้คอมพิวเตอร์คือตัวหนึ่งคนนึงอตัวนั้นล่ะคนที่มาใช้คอมพิวเตอร์นั่นแหละจะไปเกิดในภพภูมิต่างๆออกจากร่างนี้ไปแล้วนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราศึกษาเอพวกเราอยากจะรู้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 พระพุทธเจ้าให้ความสำคัญเรื่องของใจเรื่องของโซเฟอร์มากกว่ารถท่านว่ามโนปุบพังเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้านี่แหละเรื่องใจนี่ะสำคัญถ้าใจของเราเป็นนักเลงเป็นคนไม่ดีใจของเราโมโหโกธาเมื่อขับรถคันนี้นะเหยียบคันเร่ง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 ใจเขาใจเรามีแต่กว่าความสงบพุ่มเย็นเป็นสุขเพราะนั้นท่านจึงให้ความสําคัญเรื่องของใจในหลักธรรมในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาดนั้นวันนี้พวกเราคณะศรัธทธาญาติโยมลูกหลานมาสู่วัดวาศาสนาหลวงพ่อได้พูดแนวความคิดมากหลากหลายให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังเพื่อเรียนรู้ประการศึกษาในหลักธรรมคำสอน